อันนี้ก็มันมีโอกาสวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นคนคนมันก็ไม่มากบอกแกมันมาวันเดียวกันมันมากมันมีโอกาสอืมวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นที่จะพักผ่อนพวกประชาชนทั้งหลายมีที่การมานี่ทุกทกคนเนียกว่าหวัง ธรมะวังกรเย็เย็นอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนทั้งชนบุรีรบบุรีสมุทรประ ก, การจังหวัดหลายจังหวัดผ่านมาร่วนแต่เสวยงหาบุญในแระทอดภาษาบางสกุลตามภาษาเพื่อให้มันเกิดเป็นบุญ โดยมากเป็นอย่างน้นแถวว่าไม่เคยได้ยินว่าเสีวงหาการละบาปไม่ค่อยได้ยินมีแต่เสแวงเอาบุญมาทับกันขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเรามีเวลาน้อยแต่เวลามันไม่น้อยหรอกมันมากอยู่ ความเป็นอยู่ของเรานี่มันน้อยๆบราที่จะมานี่คนไทยเรานับถือพุทธศาสนานั้นาศาสนาเป็นของหยัดเย็นประชาชนเข้าอบรมลรวก็ทำให้หยัดเย็นนักมากคยไปสหรัฐพวกคิดเขาต่อว่าจะทำไงแก้ปัญหาช่ว ย, ยดิ ก็ให้ไปพูดอยู่ใน้านคลิปเขาพูดตามภาษาเรานั่นแหละเมื่อพูดจบรงคลิ์คนหนึ่งแก่ๆเขาถามว่าท่านเมืองไทยพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยทำไมขโมยแย่นะไม่รู้ทำไงเนาะอาจจะมากรับเต็มที่เลยใช่จริงรับยอมร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่ว่าขโมยทั้งหลายเดล่านั้นไม่ใช่ศาสนามันคนคนเป็นขโมยไม่ใช่ศาสนาเป็นขโมยอืมคนที่สอนศาสนาก็ไม่ทำอย่างนั้นศาสนาท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นอันนี้คนไม่ใช่ศาสนาเขาตบมือเออเออเหมื อ, อ, อ น, นกันไถ่ตะมาเ็าตามทอะสหรา้มีขโมยหรือเปล่า ไม่อยากตอบแล้วมันก็นคือขโมยมันมีเหมือนกันเน่มันไม่อยากตอบมันอ ะ, ะเอ า, าดีกัน <c oughs> หนึ่งก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้ถ้าคนมีปัญญาแล้วก็เรียกว่ามาอยู่ที่นี่ลอะอ่พระพุทธองค์ก็มาเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์นี่ให้กัะทรู้ทำมีทั้งคนดีคนชั่วมีได้ร้ายอย่างปะปนกัน ถ้าคนฉลาดก็รู้จักดีก็จับเอาที่มันดีอืความชั่วก็ระมันถ้าเรารู้จักถ้าคนที่ฉลาดเนี่ยก็มานั่นอาจามาดึงสอนเราพวกญาติโยมเราทั้งหลายนั่นในก่อนที่จะมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้มาทําเช่นนี้ก็เป็นของหายากเป็นของหาลําบากด้วยอืมให้โยมทั้งหลายนั่นได้ริษถึงไวคําสอนย่อๆของพระ ที่ท่านบอกไว้ที่ว่าหัวใจภรศาสนาทําไมท่าถึงพูดอย่างนั้นเฮ้หัวใจเป็นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งคนเราทุกคนมานั่งอยู่ในหัวใจไปทิ้งเสียก็หมดเท่านั้นเน่ยไม่มีเรื่องราวอะไรไมีไม่มีไม่มีอะไรจะติดต่อเดี๋ยวว่าหัวใจนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นี้พุทธศาสนาก็ต้องมีหัวใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหัวใจของพะาะศาสนาในเวลาสั้นๆในเวลาไม่มากเราควรจะฟังหัวใจพุทธศาสนาเดี๋ยวไปภาวนาเด้วไปพิจรารณาให้เยบคายเราจะได้ความรู้จากพุทธศาสนาทั่วถึงอืมในพุทธศาสนาอนั้นท่านกล่าวว่าสัพ ป, ปาปัสสะากัระนัง กุฎารสุปสัมปทาสัจจิตะปริยตพนังเอตังพุทธศาสนาเนี่ยย่อยอสัพปาปัสะอการณังนั้นหมายความว่าไอความช่วยความผิดไม่ทํามันเลยดีกว่าอืไม่ให้ทําความชั่วไม่ทําความผิดไอสิ่งที่ไม่ดีเลยกายหรือวาจ า, านั้นน่ะพุทธศาสนาดำน่ะห้าม มีอันนึงจะอะไรเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่ถูกต้องเมื่อจิตใจเราไม่เป็นเช่นนั้นธรรมะก็จะเกิดขึ้นความเมตตาอารีจะเกิดขึ้นถึงใจเรากุศลสูบปสัสมปทามีใจเยือกเย็นเนี่ย อ, อันนี้ก็เรียกว่ามีเมตตาปราณีเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็เป็นธรรมะอันหนึง่งเป็นหัวใจพุทธศาสนาอันนึง่ง จิตตะประโยชน์ทพันังไม่กระทำบาปแล้วใจเป็นกุศลแล้วต่อไปจิตมันก็ผ่องใสอทําจิตใจเราให้เป็นผ่องใสสะอาดไปนั่งที่ไหนก็สบายนึกถึงความดีเราที่ทําแล้วปัจจุบันนี้หรืออดีตที่พองมาแล้วก็สบายไม่มีอะไรจะ ม, มีความภูมิใจยุทุกเวลา นี่เดียวว่าหัวใจพุทธศาสนาตั้งอยู่ในหัวใจเรานะแต่หากว่าเราจะต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งท่นอาจจะมาเคยถามว่าไปแสดงมาบุญกัน ด, ดื้อๆบางทีข้ามไปจะ้ะทำไมการจะทำบุญกันมากทำไมมันค่อยเรือดร้อนพวกเรานะ่นะเพราะอะไรเล่ามันยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งซีีกหนึ่ง ซีกที่ไม่ละบาปเนี่ยมันยังอยู่เออไอทําบุญก็ทําอืมซีกที่ไม่ละบาปเนี่ยเป็นต้นต่อสําคัญที่สุดแล้วอืมไอเบื้องแรกที่สัพปะปะปัสสะอกระนังนี่ธรรมดาพื้นที่เราปลูกบ้านอย่างนี้นะรากฐานบ้านที่จะปลูกบ้านนั้นทำให้ดีทําให้สะอาดทําให้เน่นนะ อ, อบ้านเราจะทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะนั้นเป็นหลักฐาน อะไรสิ่งที่ว่ามันจะสะอาดตรงนั้นตรงหมดของสุกปูกเนี่ยเนอยไอตรงนั้นมันจะถูกมันจะหมดสิ่งที่มันผิดอะไรบุญจะไปตั้งอยู่ตรงนั้นตรงหมดบาปเคียาบาปออกก่อนถ้ามันมีก็เคียาบาปออกแนละ้วบุญตั้งลงไปตรงนั้นเนี่ยเอบุญจะตั้งอยู่ได้อย่างนี้เนี ถ้าเราทำบุญนี่เลก็จริงอยู่ทำบุญมั น, ท ำ, นทำข้างเดียวคล้ายๆว่ า, ายผ้าชเช็ดเท้าเราเนี่ยมันสกปกปกนะุกกระปุกเห็นไหมเราไปบ้านเจ๊กก็ไปเห็นสีสวยๆแลก็อยากเอามาย้อมเนหะ็นไหมอืมไปซื้อสีมาย้อมผ้าชเช็ดเท้าเราที่สุกปกระปุกแต่เราไม่ฟอกมันม่ซักมันนะเอาทางสกปกปกุกกระปุกไปย้อมสีมันจะสวยไหมนี่มันกันจะเนี่ยนนะทำบุญก็จริงอยู่ที่ว่าไม่ไปละฝากากนะันเนี คอยลาบบาปกันมันไม่หมดหัวต่อมันไมนจริงมีความเดือดร้ อ, น, อนจะมาเคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าการจะทำบุญกันการกินเบี่ยงกันอย่างนี้อืมสุขสนุกสุ ข, ส, ขสบายบางทีพูดอะไรกีบขัดใจเคยขึย้นมานีิเดียดนควกเปืนมายิงปุ้งไงตายสแลมมันเกิดมาจากอะไร เกิดมาจากหัวใอที่ไม่ละไม่ในละบาปนัะแต่ที่บุญเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันมันมั น, มนช่ไม่ได้มันเอาไม่ไวอืม น, นะหัว่อมันที่สำคัญคือการละบาปที่หัวใจพุทธศาสน า, านสอนสยอะย่อแต่มันมีความหมายมากที่สุดอะไรที่เราจะต้องทำนั้นก็คือกายวาจาจิตของเราเท่านี้อืมนะอืะ ถ้าเรารู้จักหัวใจพุทธศาสนาแล้วพยายามทําตามหัวใจพุทธศาสนานั่นแหละอืเราจะมีความเยือกเย็นทุกๆคนมีความเยือกเย็นเป็นผู้สแสวงบุญแนวแสวงในการละบาปด้วยพร้อมกันจะถูกต้องดีแต่คงจะไปทําบุญแง่เดียวก็เถอเพียง50เปอร์เซ็นต์นะแต่าจละบาปด้วยก็ทําบุญน่ะจึงทำบุญอ่ะมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ เียบรอมีทีถูกต้องเลยแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะแค่นั้นโดยมากเว่าจะทาบุญทุกครั้งทุกเวลาก็กราบพระเอาเป็นพยานพระพุทธเป็นเทียพึ่งพระธรรมเป็นเี๋ยพึ่งพระสูงเป็นเที๋ยพึ่งแล้เต่อนนั้นไปโดยมากก็มีโอกาสดีสมทานสินคือก่อนจะทำอะไรให้มิศินก่อน อย่างนั้นให้เรียบร้อยก่อนนี่คือการท้าบายอยู่แล้วนี่อะไรทุกอย่างกูมันเรีนอย่างนั้นเดี๋ยเกิดประโยชน์ข้างเดียวขึ้นมานี่จริงที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี่ก็เรียวเราทํามันไม่ค่อยจะถูกต้องบางคนก็เห็นมาแม่ทําบุญกันก็ทํำจะทําไมมันเป็นอย่างนี้นะเอืมอืมมันน่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นอย่างาางไ น, นคือคิดในรบอบคอบ บางทีที่คนทํางานทําการก็เหมือนกันแม่ปีนี้เกินเคยมากล่าบประจามาน้องพ่อก็ผมทํางานเอาจริงเอาจังทำไมแม่ปีนี้น่าจะได้สองขั้นเลยไม่คยได้กับเขาเลยน้อยใจอืคิดว่าพระพุทธองค์สอนว่ามันทําดีมันได้ดีผมทําดีเรือเกินทําไมมันไม่ได้ดีไอคนอื่นทําไมเขาดีก็ได้สองขั้น ไอ้ผมทาดีีอยู่ทาไมมันไม่สองขั้นก็บข้าวน้อยใจไม่มีกำลังที่จะทำงานอัตมาได้บอกว่าดีนั่นคืออะไรโยมราบหรือยศหรืออะไรดีรู้ไหมดีนั่นคืออะไรดีนั่นคืออะไรมันดีนะไม่ใช่สองขั้นสามขั้นนะมันดีฟังเถอฟังว่ามันดีอย่างนี้ <c oughs> อย่างนั้นื่อก็เข้าใจผิดกันมันเป็นสิ่งที่พอลอยร่ายอันนี้มันเป็นวัตถุอย่างนั้นคนเราจริงขาดที่พึ่งในตัวของเราถ้าเราทำดีเราก็ให้รู้สึกทำอะไรให้พิจรารณาเราทำโดยกายเราทำดีแล้วแลว้ววาจาเราก็พูดดีเจตนาเราดีแล้วอย่างนี้อืมแต่คนอื่นเขาให้มาไม่ดี อย่างเรายกกระติกไม่นี้ขึ้นนุกยกขึ้นอย่างนี้เรายกขึ้นแล้วเขาว่าเรามายกกระติกนี้แต่ความจริงเรายกแล้วจะไปเสียงก็ทําไมนะเออเราทําดีแล้วนะไอ้ความดีนะ่นที่เราก็ะทำนั่นแหละคนอื่นรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไอ้ความดียังมีอยู่เออยังงั้นกบเกืเ่อนทีออยังงั้นที่เราทําดีแล้วเขาว่าไปดีงั้นเสียใจดี ไม่เชื่อตัวของเรานะ่นะไม่เป็นตัวเองไม่เป็นตัวของตัวบางที่เราทําไม่ดีอยู่เดี๋ยวเขามาดีเง่ายกวดีใจดิอย่างนี้อืันต่มายเท่ไอรความดีนะไม่ใช่วัตถุอย่างนั้นนะมันดีบางเดียบําดีจ้ะอืมคือใครกะเรียกว่าการกระทําเช่นนั้นเนี่ยว่าเรามีดูกน้องอยู่คนหนึ่งอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้นี่มึงไปเก็บคนนั้นไอ้กูซะว่าพอไปเก็บพภูษะ ให้เงินมันก็ห้าพันบาทหรือหมื่นบาทอย่างเงี้ยนั่นหรือได้ดีเนี่ยนั่นไม่ใช่ได้ดีมันฆ่าคนนี่ทําไงเนี่ยไอความดีเนียดนั่นไม่ใช่ดีอืมไอความดีนั่นไม่ต้องเบียดเบียนตนไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องมีอะไรใครให้เราทําอยู่นี่คนเห็นก็ก็ดีคนไม่เห็นมันก็ดีไม่มีเสียหายอันนี้เราจะต้องทําความดีต้องมีคนเห็นอย่างงี้ถึงดีใจ ไอ้ทำความชั่วไอ้คนเห็นก็ไม่สบายใจอย่างนี้คือคนโงูแต่ความดีไม่ต้องใครเห็นเนอกไปทําอยู่บนอากาศเดี๋ยวทำดีเดี๋ยวก็ดีอยู่นั้นแหละใจเรารู้อยู่ไปทําอยู่ในในนา้ามันก็ดีอยู่เป็นซิกี้พู้โตเอาตัวเองเป็นพยานของตัวไม่เอาคนอื่นเป็นพยานอันนี้มันจริงคนอื่นเป็นพยานมันพลกแพงไปนะอย่างนั้นการจะทําความดีความชั่วทั้งหลายนั้น ให้รู้จักตัวซะก่อนบางคนจะทำความปิดก็มองดูครูอาจารย์มองดูพ่อแม่ไม่เห็นเราดีกับทำนะนะดีใจว่าพ่อไม่เห็นเราแม่ไม่เห็นเราายไม่เห็นเราก็ดีใจนั่นะคือโง่ที่สุดดีใจนั่นคือคนไม่เห็นไอ้ตัวเราที่เป็นคนน่ะไม่เป็นคนที่เราทำนะนะนั่นก็มองข้ามตัวเองซะนั่นแล้ว ตัวเราทำนั่นคือคนคนอื่นมาเห็นก็ตัวเรานี่เห็นตัวเราอย่างงั้นการกระทำดีที่ไหนไม่เสียทำชั่วที่ไหนไม่เสียไม่ต้องเป็นโลกวัชชะเป็นธรรมาทิปไตาการทำดีทำถูกต้องเป็นพยานในตัวของมันแล้วนะถ้าเราคิดอะไรต่างๆถ้าเราทำไม่ดีเขาว่าดีเราก็เชื่อในใจของเราเห็นนี่เรารู้จักอยู่นี่ เราทำดีเขาว่าไม่ดีเราดีใจอยู่คนไม่เสียหายอะไรพ่อเราเห็นตัวเราอยู่อย่างนี้ถ้าใครเห็นตัวเช่นนี้แล้วก็เอาละนะเอาละ่ะเป็นคนสมบูรณ์แล้วอืรู้จักรู้จักรักษาตัวของเราไอ้ที่คนเราทำชั่วเขาบอดีกว่าดีใจเราทำดีอยู่เขาบอกเราทำชั่วกว็เสียใจคือเป็นคนอนาถ า, าไม่มีที่พึ่งน่าสงสารเหมือนกันนะโอ้ยิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา ทุกตลอดการตลอดเวลาอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักความเป็นจริงแล้วก็หัวใจพุทธศาสนาจะกระีบเข้ามาใส่หัวใจเร า, า, พ, ร พ, าพ้าปปาปตะอกรนังกุฏน า, า, า, าสูปสัสมปันธาสัจจิตะปริโยตปันนังจะมารวมอยู่ที่นี่เมื่อทำเมื่อพูดต้องรู้ที่นี่ไม่มีอะไรเลยก็รมเป็นอยู่เป็นปกติ สีเทนนะโดยปกติจิตมันเป็นปกติแค่ไม่มีอะไรใครจะว่าชั่วมาดีก็ปกติไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาก็เพราะาเราเห็นนี่อันนี้เราไม่เชื่อตัวของเราอืมเราจําเราจําเราจําไก่ได้เขาเรียกว่าเป็ดก็เสียใจเขาเอาเป็ดเป็นไก่ก็วิ่งไปวิ่งมาไม่แน่นอนอย่างนี้ทำไม่ไม่ดีเราทําชั่ว พเขาดีก็พอยดีใหญ่เขาเราทําดีเขาบ่ชั่วก็พลอยเสียใจยังไม่มีที่พึ่งของเราอย่างนั้นให้ดูตัวของตัวถะเป็นสิกีผู้ตูเอาตัวเป็นพยานของตัวซะแล้วเมื่อเราถึงหลักพุทธศาสนาคือหัวใจพุทธศาสนาแล้วก็ดีว่าสบายอยู่ตั้งสบายอือันนี้แหละมีที่พึ่งแล้วใครจะว่าไม่ดีก็ช่างเถอะมันดีอยู่แล้ว อย่างเราจับกระติกน้ํานี่ยคืนมาเมยมันหนักขว่าอัอนี่ทันไม่หนักแล้วจะเชื่อใช่ไหมเรายกเป็มันหนักของทันไม่นักแล้วเชื่อเขาหรือเปล่าแน่แน่คนอื่นก็พูดนี่ให้ความหนักคุณปลาโขดกับเรานี้อันนี้คือความจริงเป็นสัจธรรมอย่างนั้นอืมฉะนั้นในหลักพุทธศาสนานี่มีหลักสําคัญในหลายอย่างแต่เมื่อรวมแล้วก็เป็นในเรียวกันนีเองไป่เป็นอย่างอื่น อการพวกเราทั้งหลายนั้นการสแสดงหาบุญนั้นให้เข้าใจกันนะอย่าไปลืมนะอย่าไปลืมการลาบาบสำคัญการลาบาบแล้วนั้นบุญมันค่อยๆมีขึ้นได้นะค่อยๆเป็นขึ้นค่อยๆเป็นขึ้นค่อยๆเป็นขึ้นใสอยากเย็นเรียบร้อยนะอืถ้าหากว่าหมอรักษาแผลก็าต้องสนิท การละการทํำบาปการทําบุญไม่ลาบบาปนี่เหมือนก็แเพาะศักษาแผลตากแผลมันดีอยู่แห้งอยู่แต่ว่าข้างในไม่ค่อยสนิทนานๆอักเสบอีกพาตัดอีกทําแผล อ, อีกแล้วนี่ถ้ารักษาไม่ดีก็อย่างเก่าเนี่ยอเหยียบไปอีกตากแผลมันก็แห้งไอ้ข้างในมันบวมอยู่นั่นเนี่ย น, น่นๆอักเสบาตัดอีก เราก็อย่างนั้นเดี๋ยวเสียใจอีกเดี๋ยวร้องไห้อีกสารพัดอย่างอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะให้เราเข้าใจอย่างนี้อันนี้เป็นเบื้องแรกของเราอืเราจะเห็นในตัวของเราอันนี้ชื่อว่าเห็นธรรมะในใจของเจ้าของเป็นซีคีฟฟูโตเอาตัวเป็นพยานของตัวยาวคนอื่นเป็นพยานเราคนอื่นก็เดียวกับคนอื่นอคนอื่นพูดกับคนอื่นพูด จะห้ามอะไรเก็ไม่ได้นะตัวเรานี่นะมันเป็นสิ่งสืบสังกันคำมาจะเป็นอัตหิอัตโนนาโธโกหินาโธปรโรสิยาต้นเนี่ยเป็นที่ฟึงต้นคนอื่นใครจะเป็นที่ฟึงเราท่านก็สอนอย่อยางนั้นท่านสอนอย่างนี้ยทำอย่างนี้คือตัวพระพุทธเจ้าทำที่ท่นยังอยู่นี่แทนตัวพระพุทธเจ้าอยู่เราก็น้อมเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจของเรา เราเนื้อติงพุโทโธธรรมโมสังโฆนึกอตงก็คือธรรมะของท่านอยู่ในใจของเราอันนั้นที่นี่เราอยู่ตรงนั้นจะเบิกบ้านมันจะเบิกบ้านอยู่จะไหนก็เบิกบ้านอันนี้การการะทำคนงามความดีอย่างนี้มันมีความหมายอย่างนี้ีท่ทุกๆท่านวันนี้ให้พากันเขา้าเข้าใจแไปพิจารณาขบเคี้ยวให้มันดีอืการแสดงบุญอืม ดูข้างล่างมันจะเสียงละบ่เลนะือเนี่ยอย่าไปทิ้งมันนะอืมน่ะมันเป็นทชานนั้นอืมอมเอาไปบุญอย่างเดียวมันไม่ก็จะปูกบ้านเอาไปบ้านสวยๆอย่างเดียวเท่านั้นแหละหลัลกฐานบ้านไม่ไม่ไ ม, มันโค้งเนี่ยก็พังนะนี่อื่ น, นะพยายามที่นี่การฟังธรรมการรู้ธรรมะอันนี้พูดวันนี้ก็รู้ไม่ค่อยไม่ใค่ยากเหมือนการสร้างบ้านหลังนี้ มันสร้างยากแต่มันก็ไม่ยากสร้างไปถึงกี่ปีแล้วมันก็เสร็จเสร็จในบ้านอยู่นะแต่ว่าไอ้ก่อนที่บ้านเสร็จแล้วนะ่ะการรักษาบ้านโยมมันยากกว่าการสร้างบ้านเห็นไหมโยมโยมแก่ๆคงจะรู้จักเนาะเนี๋ยเดียวเดียวมาจับตร ง, งวางตรงโน้นวางอีดีเกะะตรงโน้ต น, ต ร, น, ต, รนตรงนี้เฟื่อเพื่อนมันก็ไม่เจ็บไม่ถูนะ ยายก็ตอนเช้าตอนเย็นมากะบุนไปเธอใส่ผลที่มันทําอย่างนั้นคนนั้นเหมือนทําอย่างนี้กิการ์ทั้งนั้นแน่ยังไม่เสจยดาโยมขนาดนี้สร้างบ้านเสียเแี๋วการรักษาบ้านสําคัญกว่าการสร้างบ้านการฟังธรรมะก็ดีก็ง่ายนะการรักษาธรรมะให้มีอยู่ในใจของเราเป็นของยากคือการปฏิบัติธรรมมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมต้องเคี้วให้มันละเอียดให้มันรู้จักแต่ให้มันรู้จักธรรมะ เรียนธรรมะให้รู้จักธรรมะแล้วก็ให้เป็นธรรมให้จิตเป็นธรรมอย่างนี้นั่นเรียกว่าการปฏิบัตินี่ต้องมีมีผลประโยชน์อย่างนั้นอ่นอาจะ เ, เป็นยอดเยี่ยมทั้งหลายอ่าจะเป็นตั้งใจสังฆมรรคของต้องใจฟังอ น, นุเล่นละเอียดก็ได้แม่สบายแล้า ง, งเราวงเขาเล่นแร่นี้นะอืมอืมวันนี้เป็นวัน มหามงคลทันหนึ่งซึ่งญาติโยมทั้งหลายชาวกรุงเทพมหานครมมนนเรามาเยี่ยมกึงพระอิศุรามเมงเก้าทีอประเทติวัดปฏิบัติในป่าปีญาติที่ใครๆจะมาเห็นอย่างนี้สภาพที่อย่างนี้ถ้ามนมีใครไม่นำไม่มจังใจไม่มีศรัทธาก็ไม่มีใครจะมา อย่างยายาเจมทางอาเรียนนั่นหละนั่นเมื่อมาถึงพระทีนี้การกจอนับยาสารีก็จำมีจรได้ดังนั้นจึงขออาภาัยสำยาเจมทางใดทุกท่านที่มาอยู่สถานที่นี้ที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติทางพระทางโนมทาง อ, บอุบายศิกษาอยกันาำธรมรมชาติในป่า เมื่อพวกเราทั้งหลายมาถึงเช่นนี้ก็เป็นเหตให้เจริญรนึกถึงต่พระพุทธเจ้าซึ่ท่านอยู่ในป่าเช่นป่าชัด อ, อยู่ตามธรมธรมชาติแต่ในป่าเชนนี้ก็ยังมีนะ <c oughs> ถ้าในยังหลวงก็ยังมียืนยัรอันเหมืหอ น, นกันมาเป็นทุกข์รรมานอยู่นี่แ่ว่ามันสบายใจแกว่ากาย มันก็ดพุกก็ไม่เป็นอะไรแต่หัใจมันจะลายมนุษย์เราทั้งหลายนี้โบยมากก็พึ่งหาอาหารทังกายกันแต่โดยมากอาหารทางจิตนั้นพึ่งเป็นของที่สำคัญพวกมนุษย์ทุกสบริษัตวเราทั้งหลายไม่ค่อยเข้มงถึงอาหารจิตอาหารตําใจของเราทั้งหลายนั่นพอความจริงนั้นคนเราทุกๆคน องค์สมเด็ดองค์สำาสัมพุทธเจ้าจัร์กาวว่ามีกายส่วนหนึ่งแล้วมีใจส่วนหนึ่งซึ่งมันจะจัดแก่ก็เร็วทันใดทันปู่วันนี้ก็มีกายกับใจกายใจมันสบายกายใจมันสบายนีนก็หมดเรื่องแล้วมันไม่ไร้จะต่อเติมไปอีกแล้วถ้ากายมันทุกข์ถ้าใจมันทุกข์ก็วุ่นวายทุนโลกี่มันจะกว้างขวางมันก็แทบเข้าทุกทีทุกทีอย่าง อัานยี่สิ่งที่สําคัญที่มีอยู่ในตัวของตพท่านทั้งหลายนั้นซึ่งก็ผู้มีสปากองเรานั้นที่ท่านจะสอนนั้นก็คือมีของสองอย่างคือมีกายอย่างหนึ่งก็มีใจอย่างหนึ่งเราทั้งหลายซึ่งประกันรักษากายรักษาใจให้มันมีความถูกต้องตามธรรมะก็จะมีคนามสงบสงับอาหารทางกายอือ การินการอาหารอาหารคือคําข้าวสาระทุกอย่างที่มันไปหล่อเลี้ยงสภาวะร่างกายให้เป็นอยู่นี้ด้ยวยองขออาหารทางกายมีคําข้าวเป็นต้นเป็นไปทานหล่อเลี้ยงทางกาย <c oughs> แต่ก็เมื่อร่างกายนี้มันมีอาหารสมบูรณ์อดีตอร่อยจะใจเราไม่สบายไม่จะสบายนม่ได้ สบายมีได้จะนอนในห้องแอร์มันก็เย็นเฉยเฉยมันมสบายแไอความเย็นกับความสบายมันต่างกันมันไม่แคร์เรากันถ้าใจเราทำความผิดมีความผิดเกู่ในใจห้องแอร์มันก็เย็นเฉยเฉยมันมสบายครับถ้าใจเราทำกายเราทำมารยาเราทํกายเราทำที่มันถูกต้อง ไม่มีความผิดในความเสียหายอะไรทุกอย่างนะเราแคนอนอยู่นั่งไม่ได้ตายนือก็มีความสบายไม่จําเป็นจะห้องแอร์เลยนะอาหารจะพาไวาอาหารที่นั่งเป็นอยู่จะได้ท า, านก็นไปในวันนี้แต่รอ อ, อยู่แล้วมีค้าจ้างการทานวันละมุ้อสี่โยโมวันสา ม, มุื้อที่สี่มื้อโมงนี้นะคือเด็ จากเขื่อนที mm, <pod> ่จุกเทียดตลอดทางเลยด้วยกี่นิ้ยละหมดนะมาถึงวันนี้อย่างนั้นแหละคืเราใกำหนดว่าจะโยนฉันเดียวเนี่ยฉันเกิดงพอแล้วพอที่ยื่นเขื่อนนี่น้ำข็งยอมตะกี้ก็ไมาเจอแสดงนี่ก็ไม่เจอเลยอาจจะมาเอาพระพลังอะไรเนี่ยมีช่ยฉันนแข็งด้วยเรื่อย ด้วยนึงมาถามก็ง่ายน้ำแข็งก็ง่ายถามหลังสบัดหน้าแผมคิดว่าลมน้แข็งไม่มีครับมันจะสบายดีแน่เขาคิดว่าลมน้ำแข็งันก็ยิ่งไม่มีดําแข็งแล้วเขาก็อยู่กันสบายเขากายมันสบายใจมันก็สบายอืออยู่ไปนี่เนี่ยตัวอาหารทางกาย ข้าวว่ามันอ้วนมันทีมันอิ่มมันเต็มใจไม่อิ่มมันก็เป็นทุกข์นี่คือาหารทางใจมันสบายยกตัวอย่างง่ายๆมีครูบาอาจารย์มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทุกประการนี่ว่าไม่มีอะไรเมื่อเราวะครอบครัวของเราทุกๆครัวนะทานอารมณ์กติกถูกกันแล้วมันจะมีความสบายหมดัเลย อาหารตะกิตนี่มันสบายมากดังนั้นเรื่องจิตใจนี่จริงเป็นของสำคัญมากที่สุดขอผู้มีเพภาพของเราท่านจริงให้ปรวัาจิตรักษาจิตเพราะอะไรตาเลยเห็นหูเลยฟังสมูกไปยกิ่นริ่นเลยรสก็ไปกายเลยโภชนาก็ไปที่ห้ใจหาใจแบกคนย่อขหาใจบริหารคนย่องอะไรเงี้าขึ้นเลยตรงนั้นเนี่ย ตาไปทิ้งให้หัวไปทิ้งให้จมูกไปทิ้งให้ดีนไปทิ้งให้กาไปทิ้งให้แล้วก็กนใส่ดังนั้นจึงใจ่จริ ง, ง, ง เ, เป็นของสาคัญองค์สมเด็จพระมาสัมพุทธเจ้าท่านเปองพวกพุทธบริษัทต้องอยมอย่าลืมให้เขไปเห็นจิตของเจ้าของท่านจึงจะได พ, พก มนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายนั้นแล้กระวงยามมีประโยคน์พยายามปิกเดินากราดเลว่าสี่อในสุขติัยันติสี่อในภูเขาสมปทาสีเอในนิพพิยันติสัตย์มาเสื่อโสเปย์ท่านกล่าวว่าพวกเราทั้งหลายจงเวียนผู้กันมีสิ้ ศีล น, นั่นเป็นของอยอดเย็นยมศีล น, นั้นเป็นของสะอาดศีล น, นั้นเป็นของสงบศีล น, นั้นเป็นของรับเมื่อใครพากนมีศีล น, นั้นจะไม่มีการมีพามีการกระทำบาปตั้งกายตั้งวาจาตั้งใ จ, งใจถ้าใครมีศีลถ้าใครมีศีลก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ต่อไปการยิ่งกวามนุษย์ที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์แน็จะเป็นพระอริยะบุคคลไปในด้านจิตใจในนามนธรรมเป็นเครื่องส่งสมายในทางจิตของเจ้าของนี้ทุกสิงทุกอย่างมันก็หน้าที่จะนาพวกเราท่านทังนายนะเกิดมาจะไม่รู้ว่าจะอะไรมาจะไปก็ไม่รู้ว่าจะอะไรไปก็ไม่มีใครนำาอะไรมาก็ไม่มีใครนำอรานำอะไรไป เกิดมาแล้วก็นจะยิ่งกันอยู่อย่างนั้นหลนะี่นะไม่รู้จะเจ้าอะไรมาเอาอะไรไปถ้าเรามาโนกมาคิดที่จะเดนนาดีแล้วะพผู้มีเสื่อฝากของเรากันจริงจังมากวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้ก็สคล้ายๆรหว่างพระพุทธเจ้านถามถึงความเป็นอยู่ข อ, องพวกเราต่างหลายระดับ แต่อที่มันเป็นคำพูดของท่านถ้าพูดก็ได้แล้วก็เฉยๆมันเป็นวันหยติของท่านวันคืนรวงไปวมไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พู ด, ด้รื่อยๆในหมือนท่านเป็นคนเป็นตัวมาพูดให้เราแต่ความจริงๆคานี้มันเป็นคําที่จะเราพิจารณาดีดูดไปได้เพราะว่าวันกับคืนเนี่ยเรามีอะไรวันนี้เราทำอะไรอยู่ มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบาาันว่าอดีตเราทาอะไรได้บ้างอนาคตมีอะไรบ้างปัจจุบันได้อยู่อย่างไรเราควรทามีควรอย่างนี้คืควรทีนี้น ท, ทีจะแต่งงาให้เจ้าของใมันได้คี่นท่านว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าห้ามการจะทําความผิดผิดอะไรทุกอย่างอ่ะถ้ามันผิดเดมันอกสบายอะ ได้ไม่ได้ไปถูกกันอ่ะอือสี่เหล่าน่าุกกระจิงยันติผู้มีศีลจะมีสุขเพราะศีลนั้นม่ทำให้ใครไม่ละลานใครไม่เกลีกลใครไม่เบียดเบียนใครศีลนั้นมีความถูกต้องทังกายทังวาจาท่านเหล่าสี่เห่านุ่กกระจิงยันติมันจะมีความสุขคนไม่มเหิีดในทุกเกิดมันก็ะระงับทุกทุกมันจะเกิดขึ้นมา เราจะนั่งอยู่มันก็เป็น ส, an spl an spl an. สุขเราจะเดินไปนั้นก็เป็นสุขมีความสุขมีความสงบนั่นนี่เราจะหนักชีเลยนะสุขจริงกันจีมี่สี่สมหวังของคนสีมีชีนมันมีเรียนบันี้ทุกข์ชีเลยนะโพคศัพท์ประชาโพคะอันมันเกิดจากการสะทุกปฏิบัติกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วโพคะอันนั้นเป็นโพคะที่เยินยอดเป็นโพคะที่บริสุทธิ์คุณฟอง เป็นโพค่าที่เรียบร้อยเป็นโพค่าที่ไม่มีชีดมีภัยจะเอาไปบริโภคจะเอาไปกินไปทานบริจาคที่ไหนแตเป็นมงคลเป็นวัตถุอันมันมนรร่นคงในดวงใจของฝรั่งจันท์ทั้งหลายสีเระสุขจริงยันตินสีนะโพกสำปัติาสีเลณนะ้คือจริงยันตินสีหลังมีเสวยเยท่านพูดแต่เรื่องสีนั่นเดียวมีเองนะ นะไปถึงทานิพพานชิ้มมีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บ ไ, ไม่มีความตายไม่มีอะไรอะไรทั้งสิ้นเป็นของหมดเกลดนั้นขอพ่อฟื้นยิ่นั้นพวกเราเราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้มีทางทานวันนี้มีทางสิ้นคือการให้ทานเครื่องอุปกรณ์เป็นทานาวาราี บารมีคือทานาบดามัยนี้พอพุทธเจ้าทุกเอองสาวกทุกเอองจะต้อ ง, อ, ง อ, งองบำเพ็ญไม่บําเพ็ญทานาบารมีเลยจะไม่ได้อันนี้มันเป็นอย่างต้นเป้นบารมีและเป็นคนทามันยอดจริงพระองค์สมเด็จตัณมาสัมพุทธเจ้าก็ให้จีรนาทานักระค า, าลาสงการให้การให้นี้มันมีประโยชน์ ม, ส ม, สมีความ ส, มสุขมีความสนุกมีความระงับ เรียไปผมง่ายว่าวันนี้จะไปขโมยสองคนมาจะสบายใจั้มคนง่ายเนี่ยเราไปขโมยรถเข้ามาไปขโมยของเข้ามาวันนี้จะมีความสบายหรือเปล่าคิดเย็นคือวันวันนี้เราทุกคนพยายามเลือกสารสิ่งไดนิดน้อยก็จะบำรุงนะให้พระเจ้าแผ่เสงยนต์ปานี้มีคนเย็นคนจุกคนดเล็น้อย เสียสละไปนี่มันมีความถูกไหมมันมีความพอใจมันมีความอิ่มใจอย่างนี้เท่านี้มันจะต่งะางกันแล้วการให้และการเอามาการเสียสละความจริงๆเนี่ยมันจะถูกแล้วเห็นแล้วความสบายใจความสบายใจความทำที่ถูกต้องนั่นแหละชั้นอยากจะ บ, บุญอย่งญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ทุกทคนเป็นคนที่มาจาบุญ เราไดเสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ชังมันเจะมันมีทางที่ถูกต้องแล้วมันก็สบายแล้วความสบายความไม่มีโทษความไม่มีภัยความสบายอกสบายใจควาสมสงบระงับที่อุ่นที่แตนเรียกว่าทำที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องมีพระเยาวบุญจะก็เป็เจ้าแตนเรียกว่าบุญ การกระทำที S <S. <S. ่ไม่ถูกต้องเงะเกะกะละลานเพื่อนมนุษย์ด้วยอกันน่อยให้เดือดร้อนวุ่นวายนั่นเกินหด่อยทำไม่ถูกตองการกระทำที่ไม่ถูกต้องฉันเรียกว่ามันผิดการที่ว่ามันผิดนั้นฉันเรียกว่าบาปนั่นเองบาปก็คือความทุกข์บุญก็คือความสุขในทางที่ชอบเมื่อเราพูดไเห็นกันง่ายมันก็เป็นอย่างนี้นี่คือนั่นบรรดาสาะตัวจริงทั้งหลายวันนี้ ค้อมกันมามีโยมต่อสถานีท่านมากราบมาไหว้มาประพูติปฏิบัติจิตนี้ท่านเปนนน็นผูมีปัญญาเป็นผูมีปัญญาแปลกๆเหมือ น, นกันเป็นคนผิดแปลกๆกั น, น, น, น, นแต่บางนนคนที่เราสมองมีปัญญาละวานเสวยงานมาญิปญญานะ บางคนก็มอโง่คนโง่ไม่มีปัญญาสร้างบ้านดีแล้วไม่อยู่สร้างที่อยู่ดีๆแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ในป่ายนี้ต้องกมม็ะเดือกจนโง่นบางทีก็เห็นอย่างนี้อะไรก็ส่้างจนโง่ฉลาดอยู่ในใจของเราโด็กกระเดือนไะอันนี้มงมึงมีใครมองเห็นแต่นั้นที่ท่านเรียนมาเป็นคนแสบใจดุนหุนผ่านถึงอาโยตมาอาโยมาถามว่าจะบวชไหมมีบวชไหม ยังเขาข้าจะบัวใ้โง่ไปเข้าคนจ๋าจะอดเจออาจจะมากจะปลให้อยู่นี้ปอยโชธรรมดาก็จะมันม้วนอยู่มัอยู่บ้าอย่างอือก็อยู่นี่นี่คือคนที่จะต้องอยู่ไม่ต้องทําอะไรให้จะอยู่นะน้ำช้างง่ายน้ำช้างง่ายอือไม่ใช่ไม่เจ้าเหมือนไหนพูดพันต่างๆที่จะลดน้ําบ่อย หม่ตามธรรมชาติในป่าอย่างในดรงนี้ต้องรดน้ํามันเสียวสุ่มอยู่มั้งไพักที่ได้ปลูกไอต้นไม้ที่ได้ปลูกเียววันในรดน้ํากันสุกวันมั้ยรดน้ำทุกวันมันคงอยากจะไม่สวยจะโดนอ่ะนั่นเลยว่าม่จะตธรรมชาติมันดัดแปลงมันข้าเนที่ไมายอดประมาณนี้มันกันโดยมากปล่อยเข้าไปเลยอยู่ยังไงกินยังไงก็ดูไปเถอะเหมือนกับคนเราที่มีศรัทธาแล้วมา อยู่ก็พวกทั้งหลายที่มีใจมีจิตตภาสนาตัดปฏิบัติแล้วมันต่อยอมเขาเองทําเองเหมือนกันกับวัววัวมันกินอะไรมันกินหญ้าวัวมันกินหญ้าเอาวัวมาปล่อยไปสนามหญ้าถ้ามันเป็นวัวมันก็กินหญ้านะถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็กินเนห้อเท่านั้นเอะนะ คนที่มีศรัทธาได้ยเอามาปล่อยในเ น, านื้อนาบุญใกา้เจ้าบริสุทธึธ้นปฏิบัติกันแล้วไม่ต้องสอนอะไรมากหรอกผมชาท่านทำเหรียญเงิ น, นท่านทําอย่างไรดูไปดูใปมันก็ชอบแล้วก็ทําเท่านั้นี่ไม่ต้องยากไม่ต้องลําบากที่เดยวอาศัยตัวเองเหมือนกันวัววัว ม, า ม, าาา ม, มันกินหญ้าเอามาปล่อยในสนามหญ้ามันก็กินหญกเท่านั้นแหละถี่ไม่กินหญ้ากก็ไม่ใช่วัวเท่านั้นนี่ อันนี้ก็เป็นอย่างเงินมันกันลูกผิตก็ต้องใช้เจ้าขเหมือนกันแนั้นมันมีอันใดอันหนึ่งในจิตใจของคนคนนั้นแหละอ่าอ่าถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติธมัยรามันเห็นมันมองก็ปฏิบัติเองดิวยนั้นญาติโยมทึ่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านลูกหลานทั้งหลายนั้นอานาคารยินล่ะพ่อก็ไปว่านลูกสาวร้องไห้เลยเนะ อันจรมาผงอยากจะเห็นเมืนกันเนีเยคนยังไงคนร้องไห้นี่นะวันนี้คุงมาเห็นแ ล, ล่ะน่ะเห็นแล้วจะเลยบอกว่าอาหารทางจิตอาหารทางกายมันเป็นอย่างไอสิ่งที่เรายังไม่รู้จักอันนี้ให้ไปกันคิดมาจุดต้ตองเพียมีแล้วอย่างเงี้ยนะ น, น, นแม่ดิรูุษจะมาเห็นวัด น, นี้แตก็พ่อกันมาผมเห็นอย่างดีๆของลูก ป, ปาเนี่ย ถ้าความาลุ้นมาดูก็จะได้เห็นมันอยู่ในป่าของอยู่ในป่าจะมีของดีๆเหมือนกันนะถ้าคนรู้จักนะไม่ใช่้องดีอยู่ในเมืองอย่างเดียวในเงี้ยของไม่ดีก็เยอะไปมั่นแหละเตินเต้นองค์สมเด็จทศมาสัมพุทธเจ้าผู้มีศรัทธากันสนเสื่อคนอยู่ป่าท่านโกท่านกัเกิดอยู่ในป่า ออปฏิบัติโปฏิบัติอยู่ในปา่าให้พระธรรมธรรมโตจะนาปนไปในยุคสี้ยุคสิ้นมาก็ให้อยู่ในป่ากัจจุรูปกัจรูอูกก่ในปา่นานิพานตั้งแตนิพานอยู่ในปา่าเนี่ยเราควรเราไปที่นี่ชี้นาดูสิว่ามันเป็นยังไงมันเป็นปา่าเจอป่ปาแล้วใจใจแล้วมันเป็นปา่าใจเลยมั น, นจะนนวางสบาไว้นี่มันเป็นแบนนั้น ของที่อยู่ในป่าี่อยู่ที่อาศัยนี้มันเป็นส่วมดีดีดืด่มจิตใจของมนุษย์แต่ทั่งไหนแต่นั้นให้เห็นจั์หลายจำพวกจับมันหลายชนิดต้นไม้มันหลายอย่างอยู่ในป่าทั้งนั้นแหละถ้าเราพีเจรณาแล้วข้อประพฤติปฏิบัตินี้เราจะค้นในยูนในป่านี้ผมเถิไใจเย็นมันเรือ้จะออกจากก็ะไรจโดุกละยูนในนี้อ ฉะนั้นบรรดาสาวเชิญต่างหลายคุณมาพบที่นีฝ่าอย่างนี้อืบางคนก็อาจจะแปลกใจว่าอยู่กันยังไงกินกันยังไงอะไรกันยังไงหลายงงอย่างอนี่ฉะนั้นพระเนีนบางเรื่งที่มาจากในเมืองหลวงก็เคยมาอยู่แต่มามากไม่เฉพะาะเจ้าชาเมืองไทยเมืองนอกก็เยอะไปที่มาอยู่เนี่ยเนียน ม, ม, ม, มากก็เพราะว่ามันมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นแหละ จี่เป็นเยื่อเป็นมนุษย์ทั้งหลายเส้นใจแต่กติย น, นากีความจริงนี้จนั่งองค์สมุดพระชมาสัมพุทธเจ้าจนปึงการว่าสีเรณสั ส, ณสณตุติงยันติสีเรณโพกัสัมปทาสีเรณายุติงยัญติประมาสีรังวิสุทธเย่พวกเราทั้งหลายทุกคนถ้าพร้อมเพียงกันมีศิลมีธรรมมีกายมีวาจาอันบริสุทธิ์ให้ขีดจุดตรงแล้ว พวกชาวมนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะมีเพ้อฝันในการทำลายในการเบียดเบียนในการเกลียดใจการโกรธในการยิดฉาในการปฏิบัติกันนั้นมันจะหายไปเสื่อมไปเมื่อทีมทั้งหลายเหล่านี้มันเสื่อมไปความสงบความสงับจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่มาอาชี่จิตใจของพวกเราทนทั้งหลายเป็นเต้นนั่นแหละวันนี้ขอสาธุชนทั้งหลายจงประกันตั้งหกตั้งใจ ที่เราเคยทมาแล้วในวันนี้ก็ดีทํามาแล้วในวันหลังก็ดีที่ยังจะไม่ทำในอนาคตนั่นก็ดีขอจนทํากายทำวจาทาจิตใจต่างๆถูกต้องตามหลักของพระธรรมมาตามพุทธเจ้าของเรานั้นถ้าหากเราทํามีความถูกถต้องลนทางอดีต ก, ก็ดีทางปัจจุบันก็ดีทางอนาคตก็ดีในการไปกันมาของ ก, กันต่งางๆนั้น จะมีความสุขกายจะมีความสบายใจจะมีความถูกป้องสงสมุ่งมาศารนาของสันทิปการฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้รับโอวาทธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมุดประมาสัมพวัดะเจ้าแล้วจงน้อมก็ไปเป็นโอปนายุกระทำในจิตใจของพวกท่านทั้งหลายนั้นให้ทีสีเลณะสุขติมยันติคือให้มีสันตุทีรณนาโปกระจันปธา ให้มีโชขะสมบัติอันงอกนามไป่รื่นนี้มีพระจินยันต์จงโยนคู่ไปหาความเกษมจำรานสุขคือสนิพานนั้นก็เพราะอาการรักษากายวาจาใจฟองเนไมน่มีเทืเดี่ยวกันได้ใช้บันนี้ขอพระจันทั้งหลายจงสงบจังใจจงโยนคู่น้องกะไปไม่ในจิตใจของพจันทั้งหลายให้จินทีเจตนา ในธรรมะคาสังสอนสององค์ฉันหยุดกสมาสันพป็นเจ้าของดาวนัน้นฉันจิดจุดนี้ขออยา่โยมทังลายอืมจงเป็นผู้มีความสุขใจจะได้จิตโดยอํานาจแห่งคุณปัจจีปัจจานใจ จ, น จ, นจนงจงป้องกษาความตกชั่นทังลายในการเดินทางการไปสานการไปสตีการมาสตีการอยู่สตีการไปสตีโดยอํานาจ บุญกุศลนั้นนี้นตตนออนนเป็นปกป้องุ้งครองหดยอำนาจจนเป็นประเทศใหญ่จึงยินค่จะเดินดุ่งเรืองรอตาระนานโือ